พุทธศาสนาทำปีนจั ง, จงยุ่นกันทำเพื่การจอยว่างจะทำอะไรกะทำได้แต่ทำ ใ, ในการจอยว่างพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นงั้นมันเนี่ยคือกำลังใจมันก็ไม่มีนะธรรมดาโลกของเรานะ่ะทำที่นี่ก็จะอยากได้มันมันอย่างยงเแกนะคุณหงอคนต่าง ก, ก็คงอยากได้อันไรมีเพงไปหาเนะีะยลุงลุงอย่างนี้ มากไอ้คนทํางานพวกประการนั้นก็อยากใหมันแดบนั้นอย่างนี้มันเป็นเครื่องยึดเต็มที่ของมันอยู่นล้วแต่ว่าเราทํางานตามหน้าที่ของเราที่ว่าเราทําอย่างนี้มนาะเราทํางานที่มันถูกต้องที่มันสบายจริงๆ น, นะมันเป็นสมาธิที่ความถูกต้องอย่างเราปลูกต้นไม้ตัวหนึ่งเนะี่ยแต่เราอยากจะได้ผลมัน ทำยังไงเราถึงจะสบายเราจะปลูกต้นไม้ต้นต้นมันเป็นภาระหรือว่าเป็นภาระหน้าที่ของเราเราจะรัดต้นไม้มาก็เป็นภาระของเราจะมาขุดหุุมก็เป็นภาระของเราจะปลูกเป็นไม้เสร็จมาเอาดินกบเข้าไปจะเป็นภาระของเราให้น้ําก็เป็นภาระของเราให้ปุ๋ยก็เป็นภาระของเราเนื้อรักษาแมลงต่างๆก็เป็นเรื่องของเราหยุดแล้วพอ เร่ต้นไม้มันจะโตเร็วโตช่ามันเปเรื่องของเรานะร่อยวางให้ไปตัวนั้นเนี่ยแล้วพยายามทําเหตุมันดิยาชับษาเ้าปลูกต้นไม้เราอยากจะเป็นเมือกมาได้มันจะเป็นผลมาได้มันจะโตมาได้มันจะยาไปคิดมันไม่ใช่เรื่องเรามันเป็เรื่องของต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันโตเร็วโตช่านเหตุอีกที่เราแล้วเราพยายามทําเหตุนี้มันเหมาะสมจริงๆให้น้ํามันไป ให้ปุ๋ยมันไปรักษาแรงไม้มันไปพนมันดีเดียว้อไอ้เรื่องต้นไม้จะโตใหญ่ตัวชาเนี่ยไมจะเรื่องของต้นไม้ไม่ใช่เรื่องของเราแต่มันเกี่ยวข้องกันภายในของมันนะถ้าเราถ้าเรารักษาดีเนี่ยไอ้ต้นไม้จะเป็นแปตามสภาพนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ต่อมันจะสบายแต่เราคิดว่าทางเราปลูกมันทางเราให้ปุ๋ยมันรดน้ํามันทางเราจะไปรื้ดีท่านต้นไม้โตวันต้องวัน นั่นก็โคเกิดที่ธุระนาทีอะไรนี่เห็นเ่ยงแต่ตัวเวตัวช่างนั่นเรื่องของเกินมาเหมนจะไปคิดให้มันมากถ้าเหตุมันดีแล้วผลมันก็จงดีเพราะทำทั้งหลายเกิดจากเผิดมันอย่างนี้ยังหน้าที่การงานของเราเราก็ทําไปเหมือนกันไอ้ผลนาที่จะจ้องรับมันก็เกิดจากเหตุมันเองเราทําอย่างนี้ให้มันมากมันเรียกว่าทําด้วยการปล่อยวาง ถ้าเราทำใจเชนนี้ก็เราก็ทำธุระหน้าที่ของเรานะมันก็สบายถ้าเราเอาไปธุระหน้าที่ของของต้นไม้มาทํามันจะยุ่งนะใน่วนนั้นต้นไม้ก็แห่งต้นไม้ก็าทำหน้าที่ก็เข้าไปอย่างนี้ออชวนตัวเราทำหน้าที่ของเราถ้าหน้าที่ของเราดีขึ้นต้นไม้ก็ดีขึ้นมันก็ทำหน้าที่ของมันเต็มที่เหมือนกันนะก็เพราะอันั้นมันเป็นผลเหตุไม่เกิดจากการจะทําเราเช่นนี้เนี่ย ถ้าคิดตรงนี้ทุกๆคนมาพยายามคิดนั้นก็เบาใจเนีลยจะทําการงานตามหน้าที่ของเราเนี่ยเราโดดภ่ามไปเอาหน้าที่ของต้นไม้มาทํามันก็ยุ่งอยู่ดีเดี๋ยวไปดูวันนี้ก็มนโตรงนี้ต่ตัวนี้ดีกว่าให้อะหน้าาที่ไปทำอย่างนี้ดีกว่าครับออะเมันมันก็เป็นอย่างนั้นที่ทําทำงานที่ถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นสัมมาที่ฐิใช่เอ๊ะที่สิสมาทีว่าเร่ที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าสิ่งธรรมดามันกวน แมลงไหมมันปวนอืมันป่นนวรทําใจให้ตะโกนชี้ปู่ต้นไม้เนี่ยจะสบายใจนะ เ, เมื่อเราทําเหตุการณ์อย่างนี้ที่เราทํามีการงานรวมกันได้หลายกลุ่มถ้าเราจะทำตก็มันจะดีะดขดึ้นอย่างนี้อะไรมีผัดมาฟ้องนั่นไนใจคนใดใส่คนหนึ่งเนี่นเยอะไปจิตใจของเราเห็นเนี้แล้วก็ทีว่านี้อันนี้มัน่ อ, อย่างเป็นธรรมดาเข้าไหม่เรื่องนิพพา กระเพื่อนแสงตะเสริมันเป็นตูกันถ้ามีทาไม่มีสงตะเสริมก็ไม่มีสงตะเสริมไม่มีมีทาก็ไมีเราจะต้องชู้ในสองแง่นี้ให้ได้ว่าเมื่อพอมีทานั่นก็คือเขาช่วยเราเตือนเราแสงตะเสรินรับถึงมาแต่ช่วยเราเตือนเราเมื่อของเตือนแล้วฉะนั้นแก่คนเราไม่ิดอย่างนี้ถ้าเขาไม่มีทาเลยไม่ชอบอยู่ที่หนักใจ้าของแสงตะเสริสก็หายใจลงก็หน่อยอย่างเงี้ย มันต้องเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จักว่ตถุสองสองอย่างมันคู่กันอย่างที่ว่าเราทํางานที่ถูกนะมันต้องผิดมาก่อนถ้าผิดแล้วรู้จักถูกถูกแล้วรู้จักผิดถ้าไม่รู้จักผิดจะไม่รู้จักถูกมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนี้จะแท้ถ้าเรารู้อย่างเนี้ยถ้าเราคิดอย่างนี้ได้กันเลยเอกการปล่อยวางมันก็ค่อยทยอยมาตามเรื่องพวกมันอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนคนเดีวนะทุกคนพยายามทําอย่างนี้ พยายามคิดอย่างนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าทําอย่างนี้มันดีแต่ว่า ท, ทำสองคนสามคนค น, คนอื่นไมรู้เี่ามันจะทาสิ่งที่ไม่ดีมามันกวรกันเป็นธรรมดาแล้วก็ถือว่าอันนี้โลกเมืองโลกในเมืองชนิทานแค่จำเป็นอย่างนี้อยู่ที่นี่มีคนยินทานเราชู้ไม่ได้ไปอยู่ข้างหน้าก็มีอีกคนยินทาเนี่ยตั้งฟ้องเรียนยินทาเรา อ, อยู่เอา ฉันมาเสนอมีนี่มีทางกันนี่มันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้อย่างนั้นเราก็วกมาแก้สิ่งสองสองอย่างนี้แหละที่มันเป็นคู่กันอยู่นี่จะเอาอะไรเรื่อด้วยไม่ได้คลับไม่ได้ออจะต้องมีอย่างนี้เรื่อยไปเป็นอุปสรอคมีแต่อุปสรอืคเราจะต้องทํางานจะต้องผ่านอุปสรรคถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่มีทุกไม่มีทุกก็ไม่คิดนะเออมันมีทุกมันเด็กคิด ท่านกล่าทุกขัสัจพระพุทธเจ้าทุกขัสัจเป็นสัจธรรมมันเป็นของจริงทุกขัสัจถ้าเราคิดไปตามทําตามธรรมะแล้วเน่ะใจเราก็ค่อยสบายมันสอนใจเราไปด้วยสอนใจเราไปด้แล้วก็คิดแใ่ส่วนน้อยมมอเท่าวหร่เม่อมุ่งต้นหนึ่งเราปลูกคนมาหวังผลเหมันนะมันจ้รับผลทุกทุกฤูู ก, กนะ็โควัวมันจะได้ ทานไอ้ไอ้ไอ้ผลที่มันสุกเนี่มันทิ่งไปกี่ลูกกี่ใบกันหน่ลูกถ้ามันเป็นงั้นไอ้ผู้ทำมังโม่ทีโดนที่เหมือนนี่มันจะเป็นยังไงมันโดนไปด้วยมันตกไปด้วยแล้วก็ปูไปด้วยแดแล้วก็ไปทานผลมังโม่ทุกวันนี่ก็เพาะมันกินอย่างนั้นถ้าเป็นเหตุเนี่ยไอ้ผูที่โดนที่เหมือนก็ไม่กินมังโม่กันเลยัก็เป็นเรื่องของอย่างในเราย้อนหาเหตุมันจะเหตมันไปย้อนมาเหตุมันอย่างนี้อยู่ๆไป แค่ว่ามันอยู่ในที่ดีครับไม่น่าคนจะไปคิดไปโค่นหินมันยังไงนนะมันม่สะดวกจงทําที่มันในสะดวกให้มันะสะดวกเป็นมาไอความจริงถ้าเราทําที่มันถูกช่องมันเน่ยมันขี้ไปของมันทุกคนเนี่ยทีนี้ฆ่าเพราะเราเนี่ยทีนี้มันยิ้มพาเราเราทำอะไรเราจะทนพูดถ้าเราในแกน่เราก็ทุกข์จนตายทุกข์จนตายบางคนถามอาจารมาว่าน้องพ่อแม่ฆ่าสาัติ์จะทำยังไง ยุงก็ไม่ข้ามันตัดเล่ามยุงนคนคนณฆ่ายุงมากี่ปีแล้วผมฆ่ามันจะรู้ลิงสาองฆ่ายุงหมดหรือเปล่าถึงคนจะชีวิตนี่ยุงจะนั่งฆ่าจต่ยุงยุงมันก็ไม่หมดถ้ามันไม่หมดถ้ามันไม่หยุดยุงไม่หยุดเราก็หยุดกว่าหยุดจะดีกว่าก็ไม่มีอะไรกันนี้ถ้าเราไปสู้อย่างนี้มันก็แพ้มันเรื่อยไปดิ หาอยากกันยุงมาตะทีหามุ้งมาตะทีหาอะไรมาตะทีสัตย์เจตฉานั้นน่ะมันเห็นที่กินของมันนั่งก็กินมันก็กินมันเพื่อภาษาคนมันเป็นยังไงมันก็กินการหากินของยุงเราก็ต้องมีความรู้สึกหรือคิดเหนือกว่สัตว์เจตฉานที่เราจะไปเล่นกันยุงมันก็แพ้มันด้วยไปแล้วจะทํำยังไงอันนี้อาตมาพูดแต่ยุงคิดหรอกแต่ยุงจะฆ่าก็ฆ่าฮะแต่ว่ามันไม่หมดรับรองมันไม่หมดยุง เราจะสู้ก็สิ่งมันหมดไปได้ยังไงเมื่อไรมันจะจบเรื่องมันไม่จบยุงจะฆ่ายุงจะฆายุ่งให้มันจบให้มันหมดเรื่องยุงหมดนี่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้สถานที่มียุ่งอย่างเมืองไทยแล้วนี่อย่างนี้อันนี้จะมาว่าเราก็เขาไม่หยุดเราก็หยุดซะมันก็หมดเรื่องนาะเรามีปัญญาแล้วก็หลีกเลี่ยงไปซะจะทำงานจะไม่ได้ฆ่ายุงอย่างนี้อย่างนี้ เห็นว่าพระพุทธเจ้าคนงเราเองสอนอ่ะอย่าเกินไปนะได้เกินไปไหมค่ัถึงยุงยุงไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างใช่ความคิดของเราถ้ายุงมันจะคิดขึ้นมามนุษย์จะมีประโยชน์เหมือนกันเนี่ยจะทํำยังไงนี่ออันนี้มันพูดคนเดียวเราอย่างนี้นะ <c oughs> อย่างนี้เราก็คิดวกไปวนมาดูไปดูมาอย่างนี้นะแล้วก็รู้เรื่องของมันอีมันเป็นอย่างนี้แม่ชีวิตของยุง่ะถ้ายุงมันไม่มีประโยชน์นะมันจะมากินเลือดเราทําไม นี่นี่แหละประโยชน์ของมันมันต้องหากินของมันอย่างบ้านเราหลังหนึ่งนะเราปูกบ้านเราอยู่นะไม่ใช่บ้านเราอยู่ด้วยนะจริงจบมันก็มาอยู่ด้วยตุ๊กแกมันก็มาอยู่ด้วยหนูนก็มาอยู่ด้วยซึ่งมันไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครไม่รู้ว่าเป็นผ้านใครเห็นที่มันร่มกันอันตรายต่างๆมันก็ขึ้นไปอยู่ท่านั่นแหละ ก็บอกมาอยู่เฉยๆก็ดีมันกัดเสือกัดหมอนผมเนี่ยอ้ายุงหนูมันไม่รู้เรื่องมันกัดเสือกัดหมอนแล้วมันกัดไปทําประโยชน์มันเอาไปทํารังมันมันจะไปให้ลูกมันกินมันเอาไปทําที่นอนมันตั้งหากแล้วไม่ใช่ว่ามันจะมาแย่งเรามันทําไปตามธรรมชาติมันถ้าเรามีปัญญายิ่งกว่าสัตเดรัานเราก็ต้องอะไรคุ้มกันมันที่เรามีปัญญาอย่างนี้มันจะหมดรื่อกันนังมั้งอย่างนี้ อันนี้ไม่ค่อยจะย้อนมานะนนมันก็ลำบากเหมือนกันธรรมะทันย้อนมาอย่างนี้คือความอยากตัณหานี่ตัณหาคือความอยากถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็ระ ง, งับดึงได้ตัณหาแต่แปลว่าความอยากเนี่ยพระไกรปีดกใ น, ในคำภีแต่ในการภาวนาของอัตมาไม่แปลอย่างนั้นหรอกแปลว่าตัณหานี่คือความอ้าไว้อ้าอย่างอ้าไม่เงานะ อันนี้อันนี้ตันหาของกรรมาฐานภาวนานะเปลียบความอ้าไว้นัตติตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีแม่นม้ํำทั้งฟองไม่เสมอด้วยตันหาการอ้าไม่งับนี่นะทุกไม่หยุดอยากให้ปากเราไม่ใช่อยากท้องเราไม่ใช่อยากมันพอเป็นถ้าท้องไม่พอกับคงทานข้าวไม่หยุดสิเห็นไหมนี่ปากเราก็พอเป็นมันไม่เป็นตันหาหรอก ท้องมันก็พอมันเป็นแต่สิ่งที่ไม่เป็นตันสิ่งที่เป็นตันหามัไม่ใช่ท้องไม่ใช่ปากความอยากไม่ใช่มีตัวมีตัวมันอ้าเไว้อัตมาไปเปรียบสุนัขให้ฟังสุนัขมันกินข้าวตะโกมตะกามันกินทนก็กินไปหมดเอาให้กินสองจานสามจานแล้ก็หมดสี่จานห้าจานหยุดแล้วอิ่เนี่ยอิ่มแล้วท้องมันอิ่มปากมันก็อิ่มแต่ความอยากมันมีอย่างมันอ้า อาวางไว้ต่อหน้ามันมันก็นอนเฝ้าจานข้าวอยู่นั่นแหละสุนัดอื่นมันหิวหิวมามันก็ไม่ไม่ยอมไม่กินหอกเมื่อมาถึงจานข้าวมันก็โอ้ไก่มาแสดงว่าท้องมันไม่เป็นตันห่าปากไม่เป็นตันห่าละมันอิ่มได้แต่ไอความรู้สึกนึกคิดที่รู้สึกนั่นมันอยากหรือมันอ้าอยู่เสมอพระพุทธเจ้าตัณจิงบอกว่านาทีตันหาสมานนทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มี ยิงทำมันอ้าไว้มันไม่พอแหละไม่พอไม่เต็มสิ้งที่มันไม่เต็มคือไม่ไม่งับเออมันไม่งับถ้ามันงับเอาน้าเพลงไปมันก็ไหลออกจากนั้นถ้าเราอ้าไวปมันเข้าไปขังจากนั้นไม่พอไหลไปเรื่อย ๆ, ๆมันไหลไปอย่างนี้ถ้าเราคิดเช่นี้เดีก็เป็นยังไงนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ไม่พอมีเท่านี้มันก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนั้นก็อยากได้อันนี้อยู่อย่างนี้ เมือ่อคนที่อยากมีชีวิตอยู่ไม่เห็นความตายของเรานะอืเมื่อเป็นไข้จนจะตายมาค่อยนโบนบาลสานกล่าวโอ้ยทีนี้ขอทีเธอถ้าจะเอาไปดีๆอีกสักหน่อยข้างหน้าเถอะ ห, หายไปได้ทีนี้นะวันหนังป่วยมาอีกขออีกทีเถอะ <laughs> อย่าพึ่งมาเอาฉันเลยขอทีเถอะแล้วไม่เก็หยุดไปอีกตามธรรมชาติมันนะอืแข็งแรงขึ้นมาอีกนะ ก่อ น, นียกว่าคนอันตรายแล้วไอ้ความจริงอันตรายมันยังมีพ้นมันยังไม่ใต้นีน่นะต่อไปอีกก็เรียลแรงมาอีกเป็นไข้ไปอีกขอทีเธออย่าพึ่งมาเอาเลยไอ้ที่ขอเด็กคือมันอ้าอย่างเงี้ยมันไม่จบสักทีเลยขอไม่ได้ที่แรกขอทีเธอครั้งนี้ครั้งที่สองขอเธอครั้งที่สาเธอครั้งที่สซึ่งเอาไปครั้งที่สี่ก็ไม่ให้อีกครั้งที่ห้าที่บอกไม่ให้เต้ ก็คือคนไม่อยากจะตายเอยงไม่พูดง่ายๆแต่นี่คือความอยากไอะไรในชีวิตอันนี้อุปมาอุปไมยมันเป็นอย่างนั้นนีงว่าความอยากนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทําความรู้สึกทําปัญญาให้เกิดขึ้นมาให้รู้เท่ากับตัณหานั้นอันหนึง่งมันก็ทุกข์ตลอดไปมันก็ทุกข์ตลอดไปตัณหานี้ก็ดีว่าไอ้ความอยากนี่ไอ้คนนั่งมันก็อยากนะตัณหานี่คือมันไม่พออยากไม่พอขุดสองขับกับปัญญากดีกว่า มันอยากไม่พอแต่หากว่าเราปราศจากตันหาเราก็มีความอยากแต่มันอยากมันพออยากมันพอเป็นตันหานี่อยากพอไม่เป็นอย่างนี้อืแบกขึ้นไปเรื่อยไปที่นี่ก็บนเอาให้มากมันก็หนักมากแต่เอาให้มากคนไม่อยากให้มันหนักเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างเนี้ยมันไม่เขารู้เขาวิธีมันแบกแนวทั้งนี้ไป่ะ ไอ้ทางที่ถูกมันก็คือคิดแตม่มาไม่เคยคิดแต่ไม่ไม่เคยค้นคว้าหาความจริงของมันถ้าความเป็นจริงถ้าเราเห็นความจริงของมันแล้วมันก่อไนน่นีอะไรมากไม้อย่างนี้มันถึงที่สูดมันอย่างนี้อันนี้คนมันชอบจะเป็นอย่างนั้นอืมอัตามาว่าไอ้ธรรมะนี่มันก็เป็นของยากอยู่มันเป็นของลําบากอยู่แต่ว่าถ้าเราค้นคิดพินิษฐ์ปีเจนาแล้วเป็นของแก้ไขได้สิ่งทั้งหลายที่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ แล้วที่มนุษย์ทําไม่ได้นั <Thankfully> ้นไม่มีอ่จะต้องมีถ้าอย่างนั้นไม่มีไว้อถ้าอย่างนั้นไม่มีไม่บัญญัติไว้เพราะท่านบัญญัติไว้สิ่งทั้งหลายทั้งฟองเพื่อเป็นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์คนอื่นด้วยไอสิ่งที่ท่านจะบัญญัติไบบมีประโยชน์ตน ม, มีประโยชน์คนอื่นนั้นท่านไม่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้อันนี้เราควจะค้นพว้าหาอะไรต่างๆในสิ่งทั้งหลายแต่นี้อยู่อย่างนี้ออื ที่น่หากว่ามันทุกไอ้ความทุกมันเกิดขึ้นมาเนี่ยชีวิตประจําวันเราน่ะมันทุกเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้จักกำหนดรู้ทั่ว่ามันทุกเพราะอะไรเจ้าของนะมันทุกเพราะอะไรคิดคิดไปเพราะมันมันทุกเพราะไอ้ลูกคนนั้นไม่ไม่อยู่แต่อํานาจแล้วไม่ฟังความล้วมันดื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ทํามันแล้วก็เราก็พูดต่อไปว่าไอ้ลูกนี้ใครสร้างมันมา ใครสร่างนะมันเกิดมาจากไครมันเกิดมาจากเรามาถึงเราเขาจะแล้วที่นี่นะไม่ใช่ว่ามันทุกข์เพราะรูปอันนั้นมันเรื่องดีรับมันถึงปลายเวทมัน่ะมันทุกข์เพราะเราอะเหตุอยู่ที่เรานี่นะเนี่ยถ้ามันเกิดความทุกข์เพราะลูปมันก็ต้องคิดพวกมาอย่างนี้นะเราจะไปจําที่จำชัยมันจนเกินไปหรือว่าวิสัยเราก็ทําไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ตามมันไปถ้ามีนเป็นิเพราะรูปคนที่จริงมันเป็นเพราะเรามันเป็นเพราะวิหิตหนึ่ง ทุกจะเกิดเป็นมาบริห์กัมโนตัวทุกนี่มันเกิดขึ้นมาเพราะมันจะต้องมีเหตุไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันพุดขึ้นมาเฉยๆมันจะต้องมีเหตุอย่างน้อยก็มีความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ค่ค้นไม่ค่อจะค้นพบมันพระพุทธเจ้าตอนไห้รู้จักว่าโลกมันมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างี้อหอทําไมท่านมันถึงจะสงบล่ะก็สงบจีถ้าเรารู้ตามความจริงมันสงบสงบยังไง สมมุติไ้ฟังวะโยมเคยเห็นดิงไหมดิงทุกตัวมันสงบไหมตัวนี้มันก็ไม่สงบภระาความดิงฟ้องเด็กมันิงก็เป็นอยู่อย่างนั้น่ะที่ไหนมันก็เป็นส้อมันอย่างดิงแต่โยมไปเห็นดิงก็โยมก็ไม่สบายใจโยมก็อยากฆ่าอยากแกงมันเพราะมันอกแหวกไม่สงบแล้วครับโยมเคยเห็นลุดิงที่มันสงบไหมมันนิ่งเหนั้นมนุษย์เราสอนได้มีเนาะมันก็ไม่มี แต่มาบางมันไม่มีเรานอกจากดิงมันตายทีนี่เราจะเห็นดิงอ่ะเราจะมาให้โทษดิงจะทำไงเรารู้ว่าลิงทุกตัวมันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะไปบังคับมาให้มันให้มันสงบให้มันเด่นอยู่อย่างนั้นเรก็รู้ว่าดิงมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกตัวดิงที่ใส่ดิงมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเห็นดิงตัวนี้อย่างชัดเจนแล้วจะเห็นดิงทุกๆุตัวในจักรวาลนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ ถ้ายมเห็นลิงตัวนี้ชัดเจนมาไม่เป็นอย่างนั้นยอมปล่อยไปแทนทั้งเดือนของลิงเนี่ยจะให้ลิงสงบไม่สงบตัวความรู้สึกนี้มันถึงจะสงบได้ไอ้ลิงก็ดิ้นอยู่ตามเรื่องของมันเน่ยคนช่างมันตีเราปล่อยเนี่ยนี่ความสงบเกิดขึ้นในพอเราดูเรื่องของลิงนี่มันเป็นอย่างนั้นที่เราไม่สงบเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพเรื่องลิงมันเป็นอย่างนั้นจะทําไงล่ะทุกตัวก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราดูจากเรื่องของดิงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเนี่ยใจเราก็สงบไม่ผูกพันกับลิงเห็นตัวนี้ครับดิก็เป็ี่ยนยังไงไปที่อื่นเห็นดิงตัวนั้นก็เป็นแต่เงื่อนตัวนั้นไปที่นั่นก็เห็นเห็นมันเป็ี่ยนยังไงจะเปรี้อะไรกับมันล่ะนะความพยาบาทก็ดิงก็มีเพราะทํำไมเพราะว่าดิงมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้แหละอันที่เราอยากจะให้ดิ้งมันสงบแล้วครับยางงั้นมันก็ทุกอย่างงั้นดิมันทุกที่พระพุทธเจ้ามาให้แก้อย่างนั้น แกโดยทางที่รู้เท่าตามธรรมชาติมันนั่นเองแหละเดี๋ยวจะแก้ใครยังไงดีมันเป็นอย่างนั้นคิดไปคิดมาเหลือวิสยัยเนี่ยไม่ไม่มีทางที่จะแก้แหละต้องปล่อยปัญญารู้เท่าตามสังขารเห็นสังขารแบบมันเป็นอย่างนั้นต่อให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอความสงบเกิดไหมเกิดติพ่อเราไม่สงสัยแล้วนี่ไปเห็นจริงถึงมันเป็นอย่างนั้นอะไรงไปเห็นตัวหน้างไม่เป็นอย่างนั้น แลก็ปล่อยให้มันไปถึงร้อยตัวพันตัวทะเลตัวช่างมันปล่อยห้ลิงหมดแ้วนี่วางหยิดเราวางแต่ริงมันไม่หยุดน่ะแต่เริงไม่หยุดมันไม่สงบเลยเริงเรื่องของมันแต่เราลู่มันเรากิตใจเราสงบเรื่องจิตวิญญาณสงบแล้วให้มันดิ้นอยู่แต่เริงอ่ะเห็นไหมนี่เราเห็นเริงแต right. ่ไม่สงสัยเลยทีไม enfin. ่สงสัยแล้วเห็นตัวนี้เหมือนตัวนั้นเห็นตัวนั้นเหมือนตัวนั้นแบบมันเป็นอย่างนั้นแ่านี้ในความเรื่องริงมันเป็นอย่างนั้นนี่โลกก็เหมือนกัน โลกรวิฑู ท, งทรงกุศลเจ้าลู่แจ้งโลกเหมือนเอารู่แจ้งลิงไงมาโรคมันก็ต้องเป็นกันอย่างนี้โดยมากคนจะรู้สึกอันนี้เพราะออกําลังไอธรรมชาติที่มันแก่ขึ้นมาจบ ป, ประการมากๆากแล้วก็เลยฟังธรรมย่ากันไปนิดนึงมองไปทางหลังเห็นแล้วไม่เสียดายเลยคือผมเป็นทุกข์มาทั้งหลายปีเลยทีเดียวเนะยมันเป็นทุกข์มาหลายปีแล้วเพราะอยากให้มันเหมือนกันอย่างนั้น ไม่ว่าจะหลายปีเดียมจะคิดไปจนบรรดายก็ทุกจนถึงบรรดายแล้วไม่ปล่อยวางไม่เห็นที่จะมันปล่อยวางได้ว่ามีหินความสงบเนี่ยก็อยากให้มันเปลี่ยนอย่างความคิดของเราอย่างนั้นเท่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไอ้ของนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราจะให้เปลี่ยนอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยให้รู้เท่าตามเป็นจริงของสังขารแต่สังขารมันเป็นจริงอย่างไรไปให้รู้เท่าตามความเป็นจริงมันอย่างนั้นการลิงมันจะเอาใครไปเผาบ้านอย่างนี้เหรอครับเราเป็นทุกข์เพราะว่า ลิงมันไม่อยู่ภาษามันมันจะไปเผาบ้าในให้เดือดรอ้อนไม่ใช่อย่างนั้นมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันเรารู้จักลิงแล้วก็มีปัญญายิ่งกว่าลิงจใจมันจะไฟไปเผาผ่านไดนะเหตุการณ์สูกเฉินที่มันเกิดขึ้นจะมีทางแก้ไขเช่นว่าชีวิตของเรานี้จะต้องตายแล้วจะไม่ต้องรักษามันหรืแต่ว่ารักษาอย่างคุณหมอทุกคุณหมอมานี่แหะ รักษาเพื่อแก้ไขมันได้รักษาให้การตายไม่ดีไม่มียากันตายไป่นันี่เรารู้จักมันอย่างนี้แล้วไปรักษาไปอย่างนี้ใช้ค่ากับโรงพยาบาลตั้งนะไอโจนมันไปปนเข้ามาเขายิงมาเขาโรงพยาบาลร่วงพยาบาลก็ต้องรักษาอย่างนั้นนายแพทย์เขาเลี้ยงโจนไปสิมันไปปนเขายิงมันมาเขามารักษามันไวหวอย่างงั้นก็หาว่าหมอทั้งหลายรักษาโจนไปขโมยบ้านดีไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ของหมอจะต้องรักษาอย่างนั้นนี่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 มันก็จะเป็นแต่อย่างนี้ถ้าโรคเกิดขึ้นมาต้องรีบไปห้าหมอสิถ้าเหมือนดิงมันจะออกไปมาเผาบ้านแล้วคุณบอกมันที่อยู่ที่ทาอะไรไว้สิจะต้องรักษาและมั่นระวังมันสิมันก็จึงเป็นอย่างนั้นอืมแต่ว่าว้านเราน่ะถ้าพูดตามความจริงไม่ต้องดิงมันเผาหรอกคนที่ตุดมันก็ยักไปอยู่แล้วก็ต้องรักษามันไว้มนุษย์เกิดมาแล้วก็มีเกิดแล้วก็ต้องมีตายจะรักษามันได้ทาไมมันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วก็ต้องรักษาหมอที่รักษาโรคเนช่วงคราว ทะุบำรุงไปชั่วข่าวอืมอย่างนั้นก็ไอ้คนในโลกก็ไปให้โทษหมอที่หมอเนี่ยก็ไม่ดี้รักษาฉันก็ไม่หายคนนั้นตายไปเรื่อยๆมันก็พูดบ่าๆบอไปเงี้ยนะไม่ใช่หมอรักษาไม่ให้ตายยา ก, กันตายของหมอไม่มีหมอเรียนมาจนจบปริญญาก็ไม่มียา ก, กันตายเลยมีหมอทําการหน้าที่ทนลุบำรุงให้อยู่ไปเป็นเป็ น, นวันๆไปเท่านั้นเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้เนี่ยกาดิ้งก็ไปเผาบ้านนะ อืก็ต้องคิดอย่างนี้แหละย้อนกลับไปกลับมามันก็ต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> หรือว่าไงเแล้วต้องรักษาแล้วมีปัญญานะจนกว่าที่ว่าเรารู้จักกลิงนะดิงจะเอาไฟเผาบ้านแล้วจะเอยู่ได้เลยแลักษณะัของดิงก็รู้จักมันอยู่แล้วนะก็ต้องรักษาควบคุมมันอย่างเด็กๆให้รู้จักภาษาของเด็กรู้จักภาษาของเด็กก็ต้องรักษาเด็กนะเนี่ยมันจนหุง จ, จนบ่อไปตามเรื่องมันได้ถ้าเรารู้จักเด็กก็ต้องระวังเด็กสะกดรอย ตามเด็กที่มันเป็นอยู่มันจะไปจับไฟมันจะไปตกโบก็เฉยไม่ได้คนไม่รู้จักเด็กนี่อันนี้เป็นมันท่าอย่างนั้นคนก็ไม่รู้จักเรียนอาไฟเผาม่านอย่างนี้เราต้องเรียนอย่างนั้นนั่นทำให้เป็นทุกข์เออเป็นทุกข์ต้องระวังเป e ็นทุกข์ดิมาเรียนถามหลวงพ่อให้ด exactly. so ูว no, e ่าเราเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยเราก็เลยเป็นทุกข์ครับหลวงพ่อทํางานตามหน้าที่ของเรามันเป็นทุกข์กว่าแก้พยายามไป อย่างมีคนหนึ่งทหาร อ, อตำรวจไอตชลนี่ ย, ยไม่ยิงคนตามชายแดนตายอืมลุงพ่อยิงพวกนี้ตายมันบาปไหมโอ้นะแต่ผูดตามประพฤติย่ตำตกลมันบาปทําไมจะบาปผมทํางานตามหน้าที่ของผมเขาตั้งโรงฆ่าสัตว์ไว้คุณไปสมัครเป็นคนฆ่าจักในโรงฆ่าสัตว์ตนั้นคุณก็ได้ฆ่าสัตกเท่านั้น ทำไมจึงจะฆ่าสัตว์มันบาปไหมเขาทํางานตามหน้าที่ของเขาเขาไปตั้งหน้าที่ในโรงฆ่าสัตว์สัตว์ในนั้นก็ต้องหน้าที่ของเราจะต้องฆ่านันก็ไม่บาปสิอันนี้ก็เหมือนกันมากมันเป็นอยู่างนั้นมันถึงในรถในในรถในโป้นกันเพราะมันบาปนั่นเองแหละเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างงั้นเขาก็มาคิดเขามาทํางานตามหน้าที่ของเขาไม่บาปไปหน่อยเนี่ยอย่างนี้เราเป็นคนฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์นะเราไปสมัครงานในตรงนั้น เราก็ได้เขาให้เราทําก็เป็นหน้าที่ของเราอืมเราไปลงจุดนั้นแล้วเขาทําอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องนะมันก็แบบอืมอย่างนี้มันก็ผิดตามธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นเรื่องเพราะมันเป็นอย่างนี้อันนี้กรมนกันฉันนั้นนะเรื่องเทว่ามันทุกมันก็ทุกนะนี่มันก็ทุกมันอะไรที่ไม่เรียนคำมีดมีดธรรมดามีดไมโคมมีดไมโคม นี่เทมันคมจะต้องทําให้มันดึกก็ไปอีกกันได้อย่างนี้ก็เพราะมันทุกข์นั่นแหละโยมมันไม่รู้จกทุกข์มันก็ทุกข์เป็นธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนแกคไขมันเร่อยๆไปตามหน้าที่ของเราอย่างนี้เนี่ยผลที่สุดต่างแต่างบอกว่าเย่าตัดวางให้วางให้วางอย่างเราหิ้วหิวตะกร้าหนักๆสปเนี่ยนักก็หนักวางให้ ไม่ยอมวางห่วงขนมอยู่ในนี้ไม่วางละฉันจะได้อะไรก็ ไ, ได้ดื้อหิ้วไปเรื่อยๆเลยหลายกิโลไปหิ้วเป็นนึบมันเหนื่อยหิ้วเป็นหนักก็ไม่ยอมทิ้งมันนะมันก็หนักเรื่อยไปจนกว่าหิ้วไปจนหมดแรงเอ้วไม่ไหวแล้วนะทิ้งไปนะทิ้งไปจะเกิดอาการขนมทิ้งไปทิ้งไปมันสบายรู้สึกได้เหมือนกันได้บรรเบาอืมนะถ้าเราแบกมันก็หนักไ น, นี่อย่างนี้ให้รู้จักพักผ่อนดีเมื่อมันหนักก็พักไว้หยุดวางไว้ก่อน มีเดี่ยวแรงไปที่มันต่อไปอีกเพราะเราต้องการขนมนั้นอยู่ใช่ไหมครับอืมท่าไม่ต้องการกเขนมก็ทิ้งมันไปได้เนี่ยทิ้งมันเลยก็ได้นี่ท่านดูจากการดูจักเวลาอย่างนี้ดูจักเรื่องของมันอย่างนั้น <c oughs> อย่างนั้นท่านแบบแบบอย่างดีดีชั่วอย่างเนี้มันมีคุณค่าเท่าเากันทมองถึงที่สุดมันนะดีดีมันแหละจบเรื่องนะยังไม่จบเรื่องวันดีเรื่องดี ด, ด, ดีไม่จบเรื่องมัน่ะ ดีนี่ไม่จบเรื่องดีเพราะมันดีมันอุปทานอยู่ในดีนั่นเองนะดีถ้ามันดีเกินพอดีเล้วยมันทุกข์นะดีให้เกินพอดีให้ดุจจัดดีไอความความทุกข์เกิดจากการดีนั่นฆ่ากันเนี่ยเร็วๆนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีดีขึ้นเนี่ยมันไปติดดีนั่นดีเกินท่านก็ให้วางนะพระพุทธเจ้านะจะแบกอะ้รก็จังมันดีมันดีเกินขีดดีแล้วมันชั่วมันหนัก เพื่อนจีดหนักก็ต้องวางอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่นจึงบอกว่ า, วาอันนี้มันดีอันนี้มันชั่วสิ่งที่ว่ามันชั่วควรละอันที่มันดีนั่นเก็บไว้ปฏิบัติไปโดยการปล่อยวางมันจะโดยการความยึดมั่นถือมัน่นเนี่ ย, ยแล้วก็ปฏิบัติความดีไปความดีมันก็ล้นเหลือเึ้นมาได้ดีเรื่อยๆไป มันดีจนเกินดีใส่มันร้ายนะที่นี่นะไปติดในดีใะอีกไล้แล้วุว่นนั่นก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันทานอยู่บ้านเน่ระว่ามันยุ่งเนาะทานนี้จากบ้านมา ก, ก่คิดถึงจะทำางล่ะจะอยู่ตรงไหนกันดีปัญหามันเป็นอย่างนี้อยู่บ้านแหมนยุ่งบางทีก็บ่นอยากจะหนีเลยเนะแต่ว่านี้จากบ้านเนี่ยก็คิดถึงบ้าน <c oughs> นี่จะยยทำอะไรมันก็เป็นเรื่องแปลกนะมนุษย์เรานเนาะอืมมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแต่ว่าออกจากบ้า น, นไปเลยมันมายุ่งกว่าสบายแต่ว่าคิดอย่า ก, กลับคือไม่ใช่อะไรหรอกมันยังไปไม่ถึงที่มันในความรู้สึกนี้คิดของเรายังไปไม่ถึงที่อยู่อย่างดีท่านได้บอกว่าตะไปแล้วก็ดิงกลับมา ไม่ถึงที่สุดมานอย่างง่ายๆอย่างย่อยๆก็เรียกว่าเรามาอบรมที่นี่มาธุระอย่างนี้แต่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเราาทําความไม่หสบายอย่างนี้บ้านอื่นแม้จะสนุกสุขสันบานลอะไรก็ต่างมันยังยองคิดไปถึงบ้านเราอยู่นั่นแหละเป็นอย่างนี้คือเรื่องมันยังไม่จบเรื่องความดีความชั่วมันไม่จบมันยังเป็นโลกมันก็ยังไม่จบ ถ้ายังไม่จบมันก็ไม่วางถ้าไม่วางเราก็เลยแบกมันไว้ถ้าเราแบกมันไว้นะ่ะเราหนักมันก็มองเห็นโทษมันได้ง่ายๆพอเราแบกมันอยู่นะบางคนอื่นเห็นแบบคนอื่นแบกเราหนะนักเคยมีไหมคนอื่นเขาแบกเราหนะักใ ต, ตรงนี้นะมันน่าคิดนะเราแบกเองเราหนักเองเรา น, รานี่มันก็คิดได้ครับนะพอคิดได้ น, นั่นคนอื่นเขาแบกนี่เราหนักนะคนนั่นทําผิดเราก็ไม่สบายเหมือนเนาะคนอื่นนั่นเขาแบกเราหนักเคยมีไหมโยบดูดีๆนะเราแบกเองเราหนักเองใครชั่วไม่เห็นง่ายาไอ้คนอื่นแบกเราหนักเนี่ยมันไม่ค่อยจะเห็นตัวเราหนะักน่าจะให้คนแบกนั้นหนักเนาะ นล้ว่าไงถ้าพูดตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นโดยมากมันเท่ากันใช่ไ้มหรือจะมากกว่าก็ได้นะเราแบกแล้วก็เราหนักไอ้คนอื่นแบกเราก็หนักมันหนักทั้งสองอย่างเขาแบกแล้วก็หนักเราแบกแล้วก็หนักจะทำยังไงดีนะนี่มันเป็นอัไอย่างนี้เราควรย้อนย้อ น, อนคิดดูว่าชีวิตมนุษย์นี่มันมันเป็นอะไรมันเป็นยังไง มันผสมประสเสกันอยู่แล้วไม่รู้จกเลือกต่ถอดออกนั้นก็เป็นอย่างนี้นะถ้าตรงไปเราแบกเราหนักเลยดีกว่านะมันสําคัญในคนอื่นแบกแล้วไม่ควรจะหนักทําไมมันหนักเคยหนักไหมอย่างนั้นจะต้องอดทนเรื่องที่มันอดทนทั้งนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันอดทนในทางธรรมะแต่ในว่าคันติความอดทนอดทนมันเป็นแม่บทของธรรมทั้งหลายทั้งปวง ทุกคนจะต้องอยู่ในความอดทนนั้นอืมอดทนมันอดทนอดทนได้ความดีแต่เมื่อได้ความดีแต่ก็หลงมดีอีกก็มีนะมันก็แปลกอยู่นะหน้ามันจะจกเรื่องมันนะนะได้ดีเมื่อได้ก็หลงดีอีกทีหนึ่งดีก็พาเราทุกข์อีกดีกับชั่วรักกับเปรียตนี่มันไม่พ้นมันตึงอยู่ในกลุ่มนี้เอาน่าคิดธรรมะคิ ด, คดใ น, ใ, นใจของเจ้าของและแก้ตัวเรานะ ทีนี้เธอมันทุกข์ก็ไปให้คนอื่นแก้คนอื่นแก่ทุกข์ไม่ได้อธิบายทางให้แก่ทุกข์ท่านั้นทางที่จะแก่ทุกข์เท่านั้นเรื่องจะแกจ้จริงๆเรื่องคนทุกข์จริงเป็นเรื่องตืน่นตนเองพระบรมครูเขาเนี่ยอัคตารลสะทากตาตะทากตุเป็นแต่ผู้บอกบอกให้ยกอนนั้นมานี่ยกอันนี้ไปน้นบอกเท่านี้ ไหว้น้ำจะต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่ตะขาโคตไปไหว้ให้ถ้าขาโคตไปไหว้ท่านหายก็ตายเท่านั้นเนาะมันก็จมน้ำเท่านั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้นอปีนี้สองปีมาใ้รู้สึกว่าเจ้านายข้าราชการบ้านเมืองรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดีย๋ยประชุมกันเพื่อหาความรู้ความเห็นนะความที่ถูกต้องประชุมกันหาทางที่มันถูกต้อง ทำไมถึงประชุมกันมันยังไม่ถูกต้องมาถไม่ถูกต้องมันก็ไม่ค่สะดวกไม่คปอยสบายที่มาประชุมกันนี่ก็มาประชุมในความเิ็นิมันถูกต้องอย่างนี้ก็จะพ้นความสบายจะคนความทุกข์นี่ไม่พ้นก็ยังไม่รู้จักเนอะมันเป็นอย่างนี้อืเรื่องโลกมันเป็นอย่างนี้โยมเห็นอยู่มันเห็นอยู่เห็นอยู่อย่างนี้ไอทุกทั้งหลายนั้นมันมันก็เรานั่นมันสร้างขึ้นมาแต่อดทน เห็นดีว่าไอ้ตรงนี้มันหนักแต่เราอยากกล้มันยกยกมันก็หนักจริงๆเมื่อหนักก็ต้องอดทนอย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้อย่างเราที่ศึกษามานะเมื่อเราเป็นนักเรียนเห็นผู้ใหญ่รู้ไม่จะสบายนะเห็นคนนี้ทําอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้เห็นเจ้าเห็นนายเห็นครูบาอาจารย์มันจะสบาย เรคนทึบในใจล้วแล้วก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้างเนอะอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างไดยพยายามจนเป็นขนาดนี้แล้วก็ยังมีทุกข์อยู่นะมันยังมันก็ยังมีความทุกขยากอยู่มันก็ไม่พ้นนะมันก็ไม่พ้นอยู่ขั้นนี้ก็ไม่พ้นอีกก้าไปขั้นหน้าอีกนะก็รู้ว่ามันจะพ้นไม่ไปอีกยิ่งหนักกับไปดื้อเรื่อยไป มันก็คนแก่แล้วเด็กมันคิดหน่มากโตขึ้นมามันคิดกวา้างคิดมากมันมีความฉลาดมากไปช่วย้าหมดทั้งนั้นแหละคนทางพ้านเราฉลาดคนเดียวมันก็ทุกคนเดียวนาะเอาให้หมดอย่างนี้ความคิดของคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องคิดอย่างนั้นคือหมายความว่ามีมากก็ตรงแบบมากยึดมากไอ้ความเป็นจริงนั้น การกระทําอะไรทุกอย่างได้รู้จักหน้าที่การทุกคนได้เมื่อก่อไม่มีเรื่องอะไรนะดรื่นววานาที่ผมสบายมันก็สบายความสบายมันมีอยู่แต่มันคนส่วนมากก็ต้องเป็นอย่างนี้โยมสถานที่นี่คันก็ดีกว่าโลกโลกโลกแตงแปลว่าความมืดโลกจเจริญก็คือมืดจเจริญ น, นั่นเองแหละนะ นี่โลกจนปแปลว่าบบามมืดแม่โลกมันจเจริญเจริญมันควมืดจเจริญขึ้นอย่างวัดอัตมาแต่ก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีก็เห็นว่ามันสว่างไม่สว่างมันมืดถ้ามีไฟฟ้ามาแล้วมันจะสบายมีน้าก็จะสบายมีไฟฟ้าก็จะสบายโอ้ไฟฟ้าไม่ไปเกิดมาเองมันเนอะก่อนจะมีไฟฟ้ามันต้องเสียอะไตรต่ออะไรมาก ก่อนจะมีน้ำมันจะเสียอะไรไปมากมากจะต้องลงทุนทั้งหมดนะมันเกิดจากความลําบากที่มันสว่างแล้วนะมันก็ยังไปปิดใจทำมันมืดอีกที่มันสะดวกแล้วมันก็ไปปิดใจทำมันมืดอีกคนก็ชอบมักง่ายถ้ามันสะดวกสบายแล้วยิ่งมักง่ายีมัง่ายัง่ายสมัยก่อนบ้านเราน่ะไม่เจริญเนาะบ้านเมืองก็ไม่เจริญเนะ ทำช่วงอยู่โน้นในฝาๆๆเลี้ยะนี่ได้ไปไม่ได้ที่นอนที่นั่นต้องทำช่วงทีนั่นไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงขนาดนั้นก็ยังไม่สบายอยู่อีกนะขนาดนั้นก็ยังไม่สบายห้องนอนอยู่ที่นี่ช่วงอยู่ที่นั่นอยาให้มันสบายสะดวกมันไม่สะดวกมันสบายเกินไปหนายก็เลยประมาทกันอยากให้มันยิ่งยิ่งไปกว่านั้นอีกอย่างนี้เห้มันไม่พอสักทีหนึ่ง กระบนการมันทุกมันทุกทุกใครสร้างมันเป็นมามองไม่เห็นว่ามันเป็นเพราะอันนั้นว่ามันเป็นเพราะอันนั้นว่ามันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้มันไปชี้เข้ามาเลยเฮ้ยจตัวมันอยู่ตรงนี้แหละมันไปชี้เข้ามาในนี้มันก็ไม่กระจ่างใช่ไะมว่าคนโน้นคนน้องคนนั้นมันชี้ออกไปขานอกนั่นก็ไปเห็นของข้างนอกกันแหละ ไปแต่งของข้างนอกไปเดี๋ยวไปแต่อันนี้ไม่เคแต่งกันนะจิต ใ, ใจไม่เคยแต่งบ้านสกรปรกเราก็เห็นได้ทําสะอาดบ้านแล้วก็ทําได้ช่วยจารยนมันเออละเห็นไม่สวยงามแล้วก็เห็นได้เราล้างไมันก็สะอาดได้แต่ว่ามันะสกาดแต่บ้านสะอาดแต่ช้วยจานใจไม่สะอาดล้างจานปัดบ้านกวาดบ้านในสะอาดใจเราสกปรกหน้าบูดหน้าเบี้ยวอยู่ไม่เห็นตัว บนอยู่อย่างนั้นแต่ทุกเอันนี้พนักงาสงสารตัวเองเหมือนกันหัวคิดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มีมันสินใจอย่างนี้ถ้าเราพยายามกวาดเหมือนบ้านเราพยายามเช็ดเหมือนบ้านเราพยายามทําความสะอาดเหมือนถ้วยจานบ้านเราเราปกจะอยู่สบายนะอ <c oughs> อันนี้เราไปพยายามเช็ดสิ่งของไม่รู้เรื่องไอ้ถ้วยมันจุกกระโปรงมเฉยถ <c oughs> ้วยมันอาดมันกปเชิญ มันเฉยสั้งห น, นของจไม่รู้เรื่องเราไปทำสะอาดมันซะถ้าไม่ถูกจุดมันมันจะใสขนาดได้ใจเราไม่รู้ไม่เห็นมันก็สุกระบกอยู่ตรงนั้นนยพระพุทธเจ้าตรัสฉันจะเิญจิตของเรานั้นเนี่ยไม่ค่อยพยายามดูมันตามใจมันซะถ้าพูดตามภาษาโลกตามอารมณ์อารมณ์ของคนที่ปาฐถาที่มันจะเป็นไปนะในครอบครัวของเรา วันนี้มันรักกันพรุ่งนี้มันเกลียดกันเกินลูกเราวันนี้เรารักมันพรุ่งนี้เราเปลียนมันทํำไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมมันไม่คงศที่อย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็าเรียกว่าใจเราไม่หาความสงบไป่ได้ไอ้ความรักมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาไอ้ความเกลียดมันเกิดเปิดทุกข์ขึ้นมาในน้อยเกินไปมันกิดทุกข์ในมากเกินไปมันก็ทุกข์เราจะอยู่ที่ไหนกันโยม หาที่อยู่แล้วหรือยังที่อยู่ล่ะหาที่อยู่ล่ะหาที่อยู่กันด้วยนะนะทําไมของหาที่อยู่ของเราลนะ่ะเราพยายามสร้างอะไรต่ออะไรมานิ่หลายหลายหลายปีได้เดือนมาแล้วเพื่อหาความสงบเพื่อหาความสบายไอ้ทําไมถึงขนาดนี้มันยังไม่สบายกันมันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เราทำนนะ ไ, ทไม่เคยถูกดูไปดิไมนกคยสบายนะนะพ่อบ้านแม่บ้านอยู่ร่วมกัน มันไม่น่าจะทะเลาะ ก, กันนะทาไมมันทะเลาะ ก, กันวางวันจะจะลุกหนีกันคืนไปเลยนะแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาอีกแล้ว <c oughs> แหมมันลําบากนายโยมนะอแต่มาเห็นว่าไอ้ที่อยู่ของเราจริงๆเราเราไม่เคยจะมากันนะไปเช็ดที่อื่นไปถูที่อื่นไปทําความสะอาดที่อื่นไม่ทําใจเลยมันสะอาด นะต้องไยุ่งอยู่เรื่อยไปอย่างนี้เนี่ยมมันที่ไปแต่ขันนอพระพุทธองค์ตานสอนโอปานายโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาให้มาถินแต่จของเราอยนี้ี่ยในน้อมเมาให้มาถินในใจของเจ้าของแต่ทุกวันนี่มีแต่บังครับแมื่แต่มาม่วงเดีย๋ยวนี้ไม่เคยมีมาม่วงหวานอะไรนี่มะม่ว ง, งกรองนี่มันหวานนะเพื่อนเดิมมันหวาน เดี๋ยวนี้เขาบังคับมันไม่แก่แล้ก็เอามาบ่มซะแล้วนะเอามาบ่มซะแล้วเขาส่งการเร็วมาทานนมกับเปรียวเมื่อเม่อม่วงมื่กเมโบนนี่ไม่เคยหวานเลยนี่เขาบังคับมันคือไม่ทันกระควางหยากของคนเราไปบีบมันเข้าไอ้คองดีๆก็ให้มันหวานหวๆไห้มันเปรี้ยวไปคลองอะไรก็ให้มันเปรี้ยวไว้ให้มันผิดปกติของมันไปเพี้ยอย่างนี้ก็วนว่ามันเปรี้ยวทํำไมมันถึงเปรี้ยว ม, ม่วงไม่แก่ม่วงโบมันก็เปรี้ยวทให้ไปทําไหายล่ะมั่นก็เป็นอย่างนี้เลยด้วนด้วนแต่มีโดยมาพี่ารณ์ของปลอมของปลอมจะโดยมามันเป็นของปลอมนะไปยึดมัน่นรือมั่นของที่มันปลอมแปลงไม่แน่นอนไปยึดมันเป็นของจริงพระพุทธเจ้าใหินศักดิ์ธรรมคือความจริงของที่มันไม่ปลอมคือของแท้อย่างนี้ และนี้มันแคบจะิญแล้วนะวนะของจริงของไม่จริงไม่รู้เรื่องอยแบบนี้ก็เลยเป็นกันไปอย่างนั้นนั่นก็เกิดความรู้สึกนี้คิดได้หลายอย่างเพียงที่มาดัดแปลงมาปลอมแปลงให้มันเหมือนของจริงอย่างนี้นั้นก็เป็นไปอันนี้ก็เป็นกันชันนั้นพระพุทธเจ้าตัณห์เป็นโอเป็นัวน้องกันมาให้จิตของเรามันเห็นถ้าจิตเรามาเห็นถ้าจิตเราไม่เป็นนั่นก็เป็นไปอย่างนี้ไม่มีทางที่สว่าง เรามีลูกมีหลานก็รักลูกลักหลานรักลูกรักหลานก็ให้ดิชาความรู้มันให้ความแนะนามันอย่างนี้ตามความจริงก็เป็นอย่างนั้นตอนเช้าล้วก็สอนมันตอนเย็นล้วก็สอนมันสอนใี่สอนในหยุดเพราะรักลูกไงตัวมันจะไม่ดีสอนทุกวันสอนทุกเชา้าสอนทุกเย็นสอน น, นานๆลูก เข้าใจพ่อแม่จู้จี้จุกจิกแต่พ่อแม่พยายามสอนลูกให้มันดีเอาล่ะเป็คนในแง่เลยดียิ่งสอนไปไปเถอะมันยิ่งไม่ฟังก็ยิ่งสอนมันอยากจะให้มันดีลูกก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งขัดใจบางทีหนีจากบ้านไปเลยไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้มือนบอกแม่พ่อแม่จู้จี้จุกจิมกเกินอยู่ไม่ได้แต่ว่าถามพ่อแม่ฉันอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันเป็นบุตรที่ดี ในทางงานที่ดีในวิชาที่ดีพ่อแม่ที่ไปอย่างไปทางถูกแม่พ่อแม่จู้จี้เือเกินคนอยู่ไม่ได้แล้วใจคนได้เรนะื่องยิ่งลักก็ยิ่งสอนในมากขอนในมากก็ยิ่งจู้จี้จุกจิกมากมันเห็นไปคนแต่ทางอย่างนี้อย่างนั้นหนึ่งเราจึงหนักใจกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่ตรงนั้นนึ่มันเกิดโรคกันทางใจ เดี๋ยวก็เกันทางใจบางคนมีแท้มีพ่อมีแม่ลูกคนเดียวกันรักคนในอย่างพ่อรักมันเพื่อจะให้มันเขียมให้มันอดทนแม่งรักคนเพื่อจะปลอบอาหารเนี่ยมันจนดุขอยุดยุดจะทําให้เด็กชั่วยากลอกไปเรื่อยกันทนะําไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยนานๆได้กับลูกไปเป็นๆพ่อแม่ก็ทะเลากันอีกแล้ว มันจะชอบจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้กหมือนกันนะ่ะเราทำการงานให้รู้จักหน้าที่การงานของเราทุกทุกคนแต่่าคนมากมเหมือนกันทุกคนมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าท่านบอกว่าเป็นครูเป็นอาจารย์คนอย่างอัตมาอย่างโยมชอบอยากจะเป็นเปรดเปรดเลยเปรดอย่างละเอียด เปรียดยังไงอาจจะมาจะเล่าลูกทานนี่ฟังกป็นหน้าฟังเหมือนกันนะไม่อยากจะเล่าหรอมันยาวแต่ว่าคนจะเล่าก็เล่าให้ฟังอยากจะพูดอะไรท่นสั้นให้มันคุ้มแต่มันหาไม่ได้นะท่านเนี่ยกว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนจิตใจบุญฉุนทานแต่เป็นพระว่าอยู่อะไรจะเป็นบุญอะไรจะเป็นกุศลแก่พยายามไปทําแกก็ทําให้มันดีแกก็ทําให้มันละเอียดทุกอย่าง วางของที่วางอย่ตรงนี้ตรงนั้นวางตรงนั้นถ้าลูกหลานจับมาเคลื่อนไปบนญฉะนั้นไม่สบายใจนะไม่กวาดจงตรงวางตรงนี้อาหน้าตรงวางตรงนั้นตรงนี้เมื่อใครมาทําผิดหวังแต่แก้เป็นคนละเอียดดีใจบุญดีเป็นระเบียบวันนึ่งเรคิดแต่เห็นสลาในป่าที่คนไปพักอยู่ในต้นไม้เพราะฉะันจะมาสร้างสลานี่ก็ดีเลยจะได้บุญ พอข้าวพอขายไปมาจะได้พักผ่อนย่อนใจจะได้มีความสบายคิดจะเก็บก็ไปทำไปทําอย่างนี้ยังนี้่าก็ยังคนพักเมื่อทําเสร็จแล้วเก็บก็ต่อไปก็ตายตายแต่แล้ววิญญาณนะี่ยไปเกาะอยู่ตรงนั้นคือมันเกาะจตเมื่อมีชีวิตอยู่นเนี่ยเมื่อสร้างสลาแล้วจก็ไปพยายามไปดูมัน ต, ตกตกตกตไหมคนมาพักผีเป็นเป็นยังไงอะไรเรียบร้อย ถ้าคนทำไม่ดีแต่แกกดใจไม่คดีถ้าคนใจดีแกก็สบายใจพราะแกเป็นคนใจวุ่นทุนทานละเอียดระเบียบอีกวันหนึ่งพ่อค้าเปลี่ยนมาหลายร้อยเลยมาพักอืมพี่มาพักแลรกก็พ่อค้าเปลี่ยนกินข้าวมันไปนมอญกันเป็นแถวเจ้าของศาลมันเป็นเตจจะมามองดูไม่เป็นระเบียบหรือเปล่านี่บอกเนี้ย ม, มาพักเนี่ยยังมาดูนะมันดูทางศีรษะมันก็ไม่เสมอกันแต่และ มันคนสูงๆบังคนต่ำๆโอ้มันยุ่งหัวใจได้เกินจะทําไงทงไงดีนะก็ไปคอยไปดึงทางข้านะมันดูไปเสมอไปที่ศอกมันเสมอกันเนะี่ดึงไปสุดแถวนะก็แถวนี้ดูฮะพอใจแล้วที่นี่เรียบร้อยต่อจะมาดูทางข้าวันอะีกมาดูทางเท้อ้ามันเสมอกันอีกแล้วจะทำไงนี่นะก็ <laughs> ไปดึงศีรษะเขาขึ้นไปอีกมันเสมอการ อั้นี้ก็ยดูเสมอการแล้วอดีแล้วท่าดีแล้ววนไปคอยรอบๆไปดูตั้งที่สายเอาไปเสมอกันอีกแล้วทังนี้เปลียนได้ยุ่งเหมือนจะทั้งตื่นเลยจนทอดอะไรนี่มันเปลี่ยนเพราะอะไรอเท่านี้นะมันหลงในหลงไหลเรื่องอะไรมันหลงเปลียนมันหลงก็มานั่งคิดแต่เรื่อรู้สึกอ๋อไอคนนี้มันสั้นยาวไม่เสมอการไอความสั้นความยาวของคนไม่เสมอการ ตัวรู้สิวางทั้งมันอย่างนี้คนใจมันมันแกลวไม่แกลกแล้วก็เพราะมันสูงมันต่ำไปเสมอกันอย่างนั้นแกก็เลยมาวางเพสบายใจเพราะเห็นอะไรเพราะเห็นคนว่ามันไม่เสมอการแต่ก่อนเห็นคนให้มันเสมอกันคนไม่เสมอกันทําป็นเสมอกันมันเสมอไม่ได้แกกว่าเป็นทุกแก่กว่ามานั่งคิดเห็นความจริงเอคนมันเป็นอย่างนั้นคนมันสั้นมันยาวไม่เสมอกันมันจึงเป็นอย่างนี้ พ็เห็นในทจะนี้ปลอดสบายนะสบายใจนี่พวกเราก็เหมือนกั น, นไปเห็นเหตุวันนี้ก็ไปรู้เหตุมันเป็นอย่างนั้ น, นการเจริญทำให้มันเสมอกันอย่างนั้นพเพราะมันแก่ไม่ได้จะไปตัดแข่งตัดขาต้อก็ไม่ได้เฮ้ยเจะปล่อยมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็ไจะไอความยึดมัน่นรูปรรมเนะี่ยไปยึดให้มันถือมัน่นให้มันเหมือนเหมือนกัน ไอ้พวกเรานี่ก็มันปัญชันนี่แต่างคนต่างมีโทรหน้าที่แต่ผมจะไม่สม่ำเสมอไปนะนั้นนะบางคนก็ชอบไปบังบางคนไปบังนะบางคนก็สารพัดอย่างนะโยมนะไมนได้เกิดยุ่งเหมือนเปรตแล้วก็ชอบเป็นเปรตเปรอย่างนั้นบางทีอาจมาก็เป็นเปรตเหมือนกันแต่มันรู้สุกง่ายเราะอ่ามันเป็นเปรตเดี่ยวเรานี่เลิกอย่างนี้ทําไมเพราะอาศัยลูกศิษยตู่หาอยากจะให้เ้าดีอยากคนทําเป็นในเบียบเบียบร้อย บางทีก็เป็นทุกข์ทุกข์เลยคืเรื่เราเป็นเปรียดแล้วเราเป็นเบียดแล้วสอนจะของไปเรื่อยๆนะย่ังนั้นมันก็ยังเกิดเป็นเบียดอยู่บ่อยเหมือนกันนะไม่เคยยอมง่ายนะจะทําไปจนชำนาญชานาญนะนันดูเหตุทุกคน ม, มันจริ ง, รงๆเนีมันชำ น, นานดังนั้นแล้วจึงปล่อยไอ้คนที่ทำอย่างนั้นคนมีทําอย่างนี้มันก็ปล่อยวางนะมันก็เบาไปเรื่อยู่ๆทำไมมันไม่เป็นเพราะเขามันเป็นพราเราเห็นไหม ใจเรามันไม่สะอาดเราคิดว่าคนมันเป็นเพราะคนนั้นคนนี้ไม่ใช่มันเป็นเพราะเราคนไม่เสมอกันเราอยากให้มันเสมอกานเราคิดผิดอย่างนี้จะไปแก้ตรงไหนแต่ก็มาแก้เราเห็นเช่นนั้นเนียแล้วก็สบายไอ้พวกเราในกลุ่มเดียวกันกตรงนั้นกันอย่างนั้นบางทีรวยมากโปร่งนักเรียนโรงเรียนใหญ่ๆมาเอานักเรียนมาให้ตรงพ่อสอนแม่นักเรียนันสอนยากเล็กน้นยจะหาจะทำยังไงมันดื้อ อาจมาก็มาสอนนักเรียนสอนไปด่ามันไปได้รั บ, อบสอนเด็กนักเรียนจบแล้วก็มาหันไปฮักดูล่ละครูเราเป็นยังไงกันลนะ่ะมีกี่คนมีห้าสิบคนสามสิบคนทําไมสมามปีกันดีถึงไม่ถึงเป็นยังไงสบายไหมไม่เปิดจะพูด น, <c oughs> นี่มันเป็นอย่างเนี้ยโวไปให้เดเ็กนักเรียนเนะี่ยให้โทษมันหนึ ก็เหมือนกันเราไอ้นั่งรถอมอเตอร์ไซค์ไปมันล้มลงตอนนี้ว่ามอเตอร์ไซค์พาเราล้มความเป็นจริงก็เราพามอเตอร์ไซค์ลงถนนอะไรๆไม่ใช่เรื่องเด็กมันพูดไม่ได้อย่างนี้อาตมาได้สาหลูกว่าท่านทั้งหลายนั่นแน่คิดๆเนี่ยมันดีซะนะอันนั้นมันเป็นอีกที่เราเป็นผู้ใหญ่โดยฐา น, นะแล้วเด็กมันผิดก็ควรให้อภัยมนะมันไม่รู้เรื่อง ดูใหญ่ๆนี่ไปทำผิดนี่ไม่ควรให้อภยัยแตแล้วมามันผิดไปยังไปทไําอะไรผิดอยู่เนี่ยเคยคนรู้เรื่องเน่ยก็ไม่รู้เพราะพระพุทธเจ้าแต่งสอนมาเนี่ท่านสอนคนไม่รู้ท่านสอนเห็นได้คนรู้แล้วไม่ทําตามนี่แต่งสอนไม่ไดนี่หลักมันเป็นอย่างนี้นะในกลุ่มเราคงจะมีมากเรื่อยๆตรงนี้เ น, นี่ยนะคนไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนเห็นไ้คนรู้แล้วเนี่ย ไม่ทําตามนี่ท่านสอนนีได้นี่ท่านจัดเป็นคนประมาททาไมมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่พวดเราจึงเดือดร้อนมันเดือดร้อนเพออันนี้เองเพราะเราไม่หันดูตัวเราสักทีมันไปดูแต่อย่างอื่นนอ้ไปทําที่อื่นให้มันสะมันสวยให้มันเบิกมันหวานตัวเราไม่กูดไม่เกาไม่สบายสักทีหนึ่งนะมันก็ยุ่งเรื่อยไปนะโยมโยมนุ่งมองไปใหนก็มืดเพราะอะไรเพราะตามันเสียอือ ก็แม้มืดจะเกินอะไรมันก็มืดไม่รับดูเจ้าอย่างสีแดงสีเขียวไม่รับรููเลยไม่เห็นตัดกระจัดเศษเราไม่มีแสงเลยอย่างนี้มันก็ใช่ของคนตาบอดนะไอความเป็นจริงเน่ยไปยุ่งปเปล่าหรามันเป็นเพราะตาเราไม่สว่างสีมันก็ไม่มีถ้าตาเราสว่างสีมันก็เกิดขึ้นมาถึงรู้เรื่องอย่างนี้น่ะอันนี้เรามองเป็นจริงแบบนั้นดังนั้ น, น, นเลยจึงไปทำแต่อย่างอื่นได้เลยมากมันก็ทุกให้อยู่อย่างนั้น อย่างนั้นที่มาประชุมมันนี่นะ่ะไม่เอามากแล้วนะเอามากมันก็เอาไปอย่างนั้นแหละอาตมาก็เทศความจริงให้ฟังอย่างนี้หาความจริงจริงให้ฟังแต่บางทีก็เหนื่อยนะเหนื่อยเพราะอะไรบางทีข้าราชการบางกลุ่มมาฟังก็ฟังกันอย่างนี้เหมือนเราฟังนี่นี่ฟังเสร็จแล้วก็กราบลากลับบ้านก็เดินกันคุยไปแม่ท่านเทศให้ฟังถูกทุกอย่างนะ แต่เราทําไม่ได้อันนี้อาตมาตะเกือบจะหมดกําลังใจปเพราะงั้นกันมันหมดแค่เ้าเาทําอะไรมากมๆาก็โยนลงหน้าหมดนช่ไหมทำมาโยนลงหน้าหมดึทายยําทลายหมดใช่ไหมแต่หมดกําลังใจที่จะสอนเหมือนกันนะแต่ว่าอาศัยความอดทนอาศัยแบบคนในเสื้เหมือนกันอาจจะมาจะทำความทุกข์ในใจกับตัวจะมันเป็นเปรตเลยให้มันเป็น ต้งกดทนไว้พิจารณาไว้อย่างนี้นี่อันนี้ก็เหมือนการทีวิตของพวกเราทั้งหลายนี่คารทําให้มันราบรื่นเพียงที่มันราบรื่นมีอยู่ถ้าพูดถึงปัญช่สอยทุกประการทุกประการนั้นน่ะโดยมากคนนั้ น, เ, นงเงินไม่พอใช้เงินไม่พอใช้มากด้วยเดือนเงินหมดจ้าจะทำยังไงมันคอยใช้นะ <c oughs> <c oughs> จะพูดแก้ปัญหาให้ฟังทั้งหน่อยนิะ วนเยอะเกินเกินหนี้พอใช้เงนในพอใช้จะได้อะไรมันจะพอใช้เงินพระพุทธเจ้าสอนว่บาการหาเงินกับการใช้จ่ายเงินให้มันการหาเงินไม่เคยลำบากันลยการใช้จ่ายเงินนี่สําคัญมากที่ดุยนี่หลักของมันท่า น, อนนะาาสอนนะพระพุทธเจ้าสอนนะหาเงินโดยวิธีนั้นมันเป็นสมาธิวะมีความภาคเพียรพยายามหามาแล้วจนเก็บกรรมให้เป็นประโยชน์ อะไรกวรใช่อะไรใหญมันฟุ่มเฟือยไปเสีย ไ, ได้เป็นประโยชน์อย่างนี้ท่านสอนเรียกเกือที่เราไม่ค่อยฟังนะถ้าเข้ากลุ่มหมดเท่าไรเท่ากันเถอะไปค่าใช้เงินนะอือาหารการอยู่กินเนี่ยไอ้สิ่งที่พอดีพอดีนะอาตมาไปเห็นที่เบตครับไปมึงนอกอาตมายังจับใจได้โยมเขาทำดีกว่าอาตมาเขากินข้าวนะอันนี้เขามีถ้วยหนึ่งภาชนาหนึ่งเขาทั้ง ภาชนะที่สองใส่อาหารภาชนะที่สามใส่หวานอาหาราก็กระจับมาเนี่ยหวานเอามาคลุกทุกชั้นีลกระชับชั้นหมดแล้วพอดีแล้วเอาน้ําเทสใส่นั้นใส่ภาชนะน้ำมาเทรวมนี้อีกเคใส่ถ้วยหวานน่ยมาเทส่วนล่างให้ดีๆนะยกใส่ไปเลยหมดแม่อตมายินดีเรือเกินไม่จนไม่จนเรียบร้อยไม่มีอะไรนะแล้วก็ที่ฉันน้นเขาเนน่ะ ถ้าโถนอย่างนี้ไม่มีไม่มีวุ่นทำลายไม่มีอะไรเข้าไปในป่าเลยกินได้หมดเกือบร้อยไม่ต้องอะไรมากนะี่น้านำเหงืกแหละมันเคล็ดเคล็ดเกือบร้อยเมื่อเมืก็จะมาเมื่อจะมามันก็หลายตะกูลนะบางทีใส่ครึ่งบาทเดือให้สุนัขสุนีกินตะพืชตะพือไปนละยไม่เห็นความบกพร่ อ, องของเรานี่พระพุทธเจ้าให้เขียมอย่า ง, งนะั้นพยายามถ้าแต่เราทานจริงๆวุ้นไม่มากหรอกโยมจานจานหนึ่งสองจาน อนกาแฟนี่ก็แก้วหนึ่งพัแค่นั้นเดีย๋ยวนี้เราแก้วหนึ่งยังไม่ไม่ไม่ไมไมไมไมพอนะยดีๆมันพอแต่ยังเกลี่ยเอาไปครึ่งหน่อตั้งหนึ่ตุกนัึนจานข้าวไปกินตะค ร, รึ่งหน่อยตั้งเลยนัเนี่ยพอเดินออกไปใจเขามองว่า น, นี่คือใครดีใจนิดสักหน่อยนึงนะจะไปกินหมดตะครึ่งโกโลกโกโศเกินไป ยังไงใ น, น ผ, ผุมเฝือยญาติโยมเราทำบุญเหมือนกันแต่มาไปดูฉันมีสบายมรดกเต่ทำไม่เกิดประโยชน์ทำได้แต่มันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรถ้าเรารู้จักการทำมาการหาเินการเรียนที่ของเรา